สรุปว่าอสูรก็ชอบอสูรน่ยนะเทวดาก็ชอบเทวดาเจ้านายของใครพูดยังไงฝ่ายนั้นก็เห็นด้วยเพราะนั้นสรุปว่าถ้าเราเห็นกับพวกใดที่เป็นหัวหน้าพูดให้รู้เท่าว่าใจของเราอยู่ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเท้า ว, วิปจิตจอมอสูรพูดบริวารก็เห็นด้วยเท้าสักกะพูดเทวดาก็เห็นด้วยทีนี้พอจะเท้าสั ก, กะกล่าวอย่างนี้จบ ท้าเวปจิติจอมาสูนก็กล่าวคาถาีิว่าท่านท้าวาสวะข้าพเจ้าย่อมเห็นโทษในความอดกลั้นอย่างนี้ว่าเมื่อใดคนพาลเข้าใจบุคคลผู้อดกลั้นว่าผู้นี้อดกลั้นเพราะกลัวเราเมื่อนั้นคนพาลผู้มีปัญญาสามก็ยิ่งข่มเหงผู้นั้นเหมือนโคที่แข็งแรงข่มขี่โคที่กลัวแล้วกว็หนีไปฉะนั้น บอโอ้ยเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเร า, เราอ่อนข้อให้คนพา น, นะคนพาณก็นึกว่าเราเนี่โอ้ยไ ม, ม, ม, ม่มีน้ำยาอะไรหรอกมันเล่นหนักหนักหนั ก, น ก, นกเข้าไปอกเหมือนโคชนโคเขงกันพูดอย่างนี้เขามานึกออกสมัยเด็กๆมีโคอยู่ฝูงๆๆหนึ่งนะมีโคตัวใหญ่อยู่สองตัวแล้วก็ชอบวันๆหนึ่งก็เด็กเลี้ยงโคนะทำอะไรต้อนโคไปต้อนโ ค, ไ ป, นโคไปหาเที่ยวชนโคหมู่บ้านอื่นอันนี้งานหลักของเรานหนึ่ง มันก็บอกว่ามีโคบ้านโน้นมาแล้วเนี่ยฟูงอยงก็มีโคตัวใหญ่ๆของหมู่บ้านโน้นแล้วก็ต้อนโครเราไปนะไปดักรอไว้เลยแล้วก็ให้โครเราชนโครเราชนะกลับมาแล้วก็ดีใจมีความสุขมากนะวันๆหนึ่งก็ชนโคนั้นก็โคชนโคเนี่ยมันตัวไหนแพ้ก็วิ่งห น, นีแต่เลยเปิดเ ป, ดเปิงไปหมดเลยไปที่เราชนโคมีอยู่ครั้งหนึ่งโครเราในเขาหลุดไปเลยชนเขาหลุดนะนเะ แต่ว่าชนโคไม่หนักเท่ากับควายชนกันนะควายชนกันนี่มันหนักสาหัสมากคือคือโคเนี่ยนะมันประทะแรงกําลังกันแะตัวไหนแพ้ปั๊บมันก็หนีไปแต่ควายไม่เป็นอย่างนั้นมันวิ่งตามกันเป็นสองกิโลน่ะนะทีนี้เจ้าของนี่เดือดร้อนนะกันนี้ต้องวิ่งตามสองกิโลนี่จะป่วยให้ได้เลยมันก็ควายนี่มันก็ชอบจะสรุปว่าเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคนพาหนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าคนพาชนะแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบนี้แหละ พันถ้าเรามื่แต่อดทนนะคนพานก็เล่นหนักขึ้นหนักขึ้นนี่แหละเหมือนโคนะโคที่ชนะมันก็เล่นงานเอาหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะเราไปอดทนทาไมจะต้องทนนะ่ะทนไปทําไมพอทาวีประจิตติอสูรพูดอย่างนี้พวกอสูรก็พากันชื่นชมยินดีว่าเจ้านายเราที่เก่งจริงๆมีเหตุผลสมควรเชื่อได้เหมือนนพวกเทวดาก็นิ่งเฉยเนี่ยนมันแล้วแต่พักไหนเหมือนกันนะพักไหนก็เชื่อพักนั้นนะ ทังนั้นท้าววิปจิตติอสูรก็กล่าวว่าท้าวสกตะจอมเทพว่าท่านจอมเทพท่านจงกล่าวคาถาต่อไปเถิดเมื่อท้าววิปจิตติอสูนกล่าวอย่างนี้ท้าวสกตะจอมเทพก็กล่าวคาทานี้ว่าบุคคลจะเข้าใจว่าผู้นี้อดกลั้นได้เพราะความกลัวต่อเราหรือไม่ก็ตามทีประโยชน์ของตนนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์คนอื่นที่ยิ่งกว่าความอดทนย่อมไม่มีประโยชน์ใดมันจะเสมอด้วยความอดทน เพราะว่าไอ้เนี่นะคนเนี่ยนะเขาจะเข้าใจว่าความอดกลั้นเนี่ยนะคือเพราะเราอดทนได้เราอดทนได้เนี่ยเขาจะคิดว่าเรากลัวเขาหรือเขาจะไม่คิดว่าเราไม่กลัวเขาก็ช่างเขาไปไรเนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นให้เราอดทนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเรากลัวเขาหรือว่าเพราะเราคิดว่าเรากลัวหรือไม่กลัวก็ช่างเขาสิเพราะอะไรเพราะประโยชน์ของตนเนี่ยเป็นเป็นประโยชน์ที่อย่างยิ่งถ้าเราไม่อดทนเนี่ยนะถ้าคนอื่นเขาว่าอะไรสักนิดหนึ่งเราจะให้ทานได้ไหม เราก็เลิกให้ทานสลถ้าหากว่าถ้าเราจะรักษาศีลแล้วคนอื่นมาว่ากันแหนกแหน่หน่อยแล้ว เ, เลิกรักษาศีลเลยถ้าหากว่าเราจะเจริญสมถะวิปัสสนาคนนั้นมาต่อว่านี่น่หน่อยหอยเราอดไม่อดทนเราก็เลิกเจริญเลยเพราะ้นใครเสื่อมล่ะคะนี่เพราะฉะนั้นไอ้ความอดทนเนี่ยนะมันทําให้ได้รับประโยชน์อย่างมากมายเพราะนั้นความอดทนเนี่ยเป็นเหตุให้ประสบความสําเร็จที่เรียกว่าประโยชน์โลกนี้แม้กระทั่งประโยชน์โลกนี้ใครจะทําอะไรถ้าไม่อดทนล่ะ ก็ไปไม่รอดอยู่แล้วในโลกนี้หนทางมันขรุขระไปยังว่านะยืนกลางแจง้งเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แมลงมากวนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันถ้าเราไม่อดทนเราจะได้ประโยชน์โลกนี้ไหมเราจะได้ประโยชน์โลกหน้าไหมจะประสบประโยชน์ที่สูงสุดไหมเพราะประโยชน์ของใครก็ช่างเถอะมันจะมีมากขนาดไหนก็ไม่เท่ากับประโยชน์ของตนประโยชน์ของตนนี่ถือว่าประโยชน์สูงสุดประโยชน์สุดยอดแล้วอย่งคนอื่นเขาจะมีมากมายขนาดไหนไอ้เราก็ทำเดิมนั่นแหละ ใช่ไหมเขาจะเป็นยังไงเราก็ตามเดิมเพั้นประโยชน์ของตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สูงสุดถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยแหละมันบุคคลใดเป็นผู้แข็งแรงอดกลั้นต่อคนผู้อ่อนแอกว่าได้ความอดกลั้นของบุคคลนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งส่วนบุคคลผู้มีกําลังน้อยจําต้องอดทนเสมอ คือใครที่อดทนสมมติถ้าเด็กๆมาด่าเราแล้วเราอดทนได้นี่ถือว่าเก่งมากเป็นขันติอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคือคืออะไรนะถ้าคนระดับล่างๆมาต่อว่าเราแล้วเราอดทนได้นี่ถือว่าเก่งมากแต่ถ้าคนระดับล่างแล้วอดทนต่อข้างบนฟ้าผ่าลงมาอันนี้ถือว่าธรรมดาเพราะอะไรเพรายังไงมันก็ต้องทนอยู่แล้วล่ะไม่ทนก็ต้องทนนะนะแต่ถ้าคนระดับสูงทนระดับล่างได้นี่ถือว่ายอด แต่คำว่าอดทนหมายความว่าไม่โกรธนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วอะไรเขาไม่ใช่เนี่ยนะเพราะว่าขันติเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนบุญยักิริยาวัตถุทั้งหลายจำนวนในมงคลทั้งหลายเดี๋ยวไปเอาถือแต่ไปที่ไหนเนี่ยนะมงคลมี38ใช่ไหมถือแต่ขันติอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้มงคลข้ออื่นเลย ดีไหมทนเสมอแล้วก็เดินไปให้รถชนแล้วก็ทนเอาซิทนเจ็บทนปวดไปเพาอย่างงี้โง่เขลาชัดเลยนะเพราะฉะนั้นมงคลมี38ข้อต้องแยกให้ออกแต่ว่าความอดทนก็หนึ่งใน38ไม่ใช่ว่าโอโ้โหเอาทุกอย่างเอาแต่ขันติโดยลืมมงคลอีก37ข้อก็ไม่ใช่อย่างนั้นเียนะท้าวสกา ก, ก็กล่าวต่อไปว่าบุคคลใดมีกำลังที่เป็นกาลังของคนผ่านกาลังของคนโง่เนี่ยนะ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวกำลังของคนพาลคนโง่นั้นว่าไม่ใช่กำลังมันเป็นความแข็งแรงเฉยๆไม่ใช่กำลังไม่มีใครสามารถข่มขีผู้มีกาลังคือศรัทธาเป็นต้นได้และผู้ที่รักษาธรรมคือเนื่องจากคนที่มีกำลังคือศรัทธาหรือมีการรักษาธรรมอันนี้เป็นกำลังแท้เป็นกำลังแท้ แ, ทแต่ว่าไอ้คนพาลเนี่ยนะเหมือนมีกาลังมันมีแรงเฉยๆหรอกั้งหมดแรงและอะไรจะเกิดขึ้น มันจึงไม่ใช่กำลังที่แท้กำลังที่แท้ก็คือกำลังศรัท ธ, ธากำลังวิริยะกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาสิจึงจะเป็นกำลังแท้บุคคลใดโกรธตอบตอบุคคลผู้ไม่โกรธผู้นั้นย่อมเลวกว่าบุคคลผู้โกรธเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลผู้ไม่โกรธตอบตอบบุคคลผู้โกรธชื่อว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากเนี่ย เขาบอกว่าใครที่อดทนต่อคนที่โกรธเราได้คนนั้นเนี่ยชื่อว่าเยี่ยมนะนะชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะสงครามเอาหมายาว่าถ้าเรามาคิดโดยหลักการและเหตุผลเนี่ยนะคนอื่นเขาโกรธมาเราจําเป็นต้องโกรธตอบไหมนะฟังดูเหตุผลก็บอกอถ้าธรรมดาอา้าวเขาเขาโกรธเราอาจจะให้เรายิ่มให้เขาได้ยังไงแต่ถ้าเรามาคิดดีๆเนี่ยความโกรธนี่เป็นโรคไหมเป็นถ้าเขาป่วยแล้วเราต้องป่วยกับเขาไหมอ่านะเขาชักเนี่ยเราต้องชักมากกับเขาใช่ไหม เขาทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวสั่งหงบิดหน้าถ้ายังก็บิดผ้าอั้านัะนเราต้องบิดตามเขาไหมไม่จําเป็นถ้าเขาชักเราก็ต้องชักตามเขาไหมไม่ถ้าเขาตกนรกเราต้องตกด้วยไหมไม่ต้องถ้าเขาบาปเราต้องแบ่งบาปเขาด้วยไหมก็ไม่ต้องมันสรุปว่าผู้ใดโกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธทีแรกคนนั้นเลวกว่าคนโกรธทีละคนโกรธก่อนทําไมอ่ะก็รู้ว่าเขาชักแล้วเราชักแข่งกับเขาหมดนะอ่าถ้าเขาเป็นเขาป่วยแล้วเราก็ขอป่วยด้วยอ่ะถ้าเขาอะไรนะเขาบิดหน้าทําหน้าถ้าบิดเบี้ยวหมดเราก็บิดหน้าตามไปด้วย เก่งว่ากันตรงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นท้าวส ก, กัดจึงบอกว่าใครที่โกรธตอบต่อคนที่โกรธก่อนเนี่ยนะคนนั้นเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อนอีกเพราะอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเหยียบหนาวเนี่ยดิ้นชักดิ้นชักเดาเราก็ไปเหยียบตามก็าตามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่อดทนต่อคนที่โกรธเราได้อ น, นั้นเรียกว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากเพราะผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธเป็นผู้มีสติสงบใจไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่า ประพฤติประโยชน์ของคนทั้งสองฝ่ายคือรักษาประโยชน์ทั้งฝ่ายตนและชื่อว่าช่วยรักษาประโยชน์ทั้งฝ่ายบุคคลอื่นเนี่ยนะเพราคนที่ไม่โกรธเนี่อรักษาประโยชน์ตนรักษาประโยชน์ผู้อื่นสามารถรักษาประโยชน์ชนทั้งสองฝ่ายได้ถ้าโกรธเราก็เผาผลาญประโยชน์ตนเผาผลาญประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะก็เหมือนอย่างว่าคนอื่นเขาโกรธเราเนี่ยเขาเผาบ้านตัวเขาเองเลยนะเราก็เอามั่งเขาก็โกรธเขานะเอาสิเราก็เผาบ้านตัวเองมั่งดีไหม อา้าวเขาโกรธเราแล้วเขาจุดไฟเผาบ้านเขาเลยอะ่ะเราก็เอามั่งกับจุดไฟเผาบ้านเรามั่งอ่ะนะเพราะเราโกรธเขาอะ่ะชั้นใดก็ดีแต่เชื่อไหมเวลาคนเขาบาปเนี่ยเราก็ขอแบ่งบาปเขามั่งอ่ะนะเพราะาโกรธเราเขาก็บาปแล้วใช่ไหมแต่เราขอโกรธเขาตอบเราจะได้บาปด้วยไงบางคนเนี่ยเลยเถิดละเอียดเขาบอกว่าอะไรนะใครที่โกรธต่อคนที่ไม่โกรธนั้นบาปมากเราโกรธเขาสันหน่อยเขาจะได้บาปน้อยๆเออไอ้มันก็ได้ขนาดนั้นสิคนอภิพากกันนะั่นแหละอย่างเงนะ ก็เหมือนกับวา่าเรารักษาศีลเรารักษาศีล5ดีเพื่อนเขาอุตส่าห์เลี้ยงเหล้าดื่มให้เขาซะหน่อยนะไม่เสียน้ำใจแบบนันนานะดูเหมือนฉลาดนะเมื่อผู้นั้นสามารถรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือสามารถรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมเข้าใจว่าคนนั้นโง่ใครที่สามารถรักษาประโยชน์ตนรักษาประโยชน์คนอื่น คนที่ไม่รู้จักทำคือทำที่ควรละทำที่ควรเจริญทำที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมทำที่เป็นเหตุแห่งความเจริญก็เลยกลายว่าโง่จริงๆเลยระหว่างั้นไงบางคนนี่เห็นคนไม่ทําชั่วนบอกโอ้ทาไมแกโง่จริงๆเลยนะทําไมแกไม่ฆ่าแกโง่จริงๆเลยทําไมแกไม่โกงทําไมแกโง่จังเลยทําไมแกไม่ผิดการเมทำไมโง่จังทําไมไม่พูดเท็จทําไมโง่จังเลยทําไมไม่ด่าเขาล่ะจะได้ฉลาดขึ้นอะไรเป็นต้นทําไมแกไม่โลภทําไมแกโง่จังทําไมไม่โกรธเขาเนี่ยต้องโกรธสิจึงจะฉลาดอย่างี้นะ ทำไมแกไปต้องเห็นผิดสิจึงจะฉลาดเป็นต้นเนี่ยออคนเนี่ยมันเข้าใจานะใครล่วงอกุศลกรรมบทเหมือนกับเป็นคนฉลาดแต่จริงๆแล้วไม่หรอกคนที่รักษากุศลกรรมมาบทไว้ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะคนโง่เขาจะด่าเขาจะชมก็ เ, เอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเอาคำของคนผ่านเป็นประมาณให้เอาคำของบัณฑิตเป็นต้นเป็นประมาณคำของคนพ่านเอาเป็นประมาณไม่ได้เนี่ยนะ เั้นเวลาที่เราทํำคุณงามความดีเนี่ยนะคนไม่ฉลาดเขาก็บอกว่าเราเนี่ยโง่เนี่ยนะเราจะไปว่าอะไรเขาใช่ไหมี๋ยวก็บางเรื่องเนี่ยเราก็เอาว่าชาติหน้าค่อยคุยกันใหมาก็แล้วกันชาตินี้ก็ทางไผ่ก็ทางไผ่ไกันนะใครคิดว่าดีก็ทําไปใครคิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องทำใครว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตแห่งความเสื่อมทํากันไปเดี๋ยวชาติหน้าค่อยว่ากันอีกทีเอาชาติหน้ามาขู่เลยใช่ไหม เอาถ้าสิ่งที่ทํามั่นใจว่ามันดีจริงชาติหน้าก็ต้องได้ดีสิใช่ไหมบอกว่าถ้าสิ่งนั้นมันดีจริงอ่ะถ้าสิ่งที่เราทํามันดีจริงพรุ่งนี้มาละลึกก็เอาก็ดีสิอีกสิปีข้างหน้ามาละลึกถึงครั้งนี้ก็ดีอีกยี่สิปี30ิปีข้างหน้าละลึกถึงสิ่งที่เราทำขนาดนี้ก็ต้องดีจริงสิเพราะมันของจริงของดีหรืออีกชาติหน้าอีกยี่สบสิชาติละลึกย้อนกลับมาก็ต้องดีสิเพราะว่านั่นเป็นความดีถ้าเรามั่นใจว่ามันดีอีกแม้ทั้งงหน้าาเรก็ยัง ให้คะแนนว่ามันดีแน่นอนอีกห้าสิบชาติก็ดีแน่นอนถ้าอย่างนี้ก็โอเคแต่ถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะดีเฉพาะหน้าดีเฉพาะที่ถ้าอย่างนี้ก็แยกแยะเอากันละกันน่ยนะสรุปนะว่าคําที่เขาโต้เถียงกันพวกที่นับถืออศูนย์ยังไงมันก็เห็นด้วยกับอศูนย์วันยังคำเท้าสักัดจะที่บายขนาดนี้ก็ช่างเถอะยังไงก็ไม่เห็นด้วยส่วนฝ่ายเทยวดาเท้าสั ก, กัดพูดยังไงก็เห็นด้วยเพราะอะไรมันเป็น พวกพวกกันนะนะพวกพวกกันนะนะพวกไหนก็เหมือนเ้าโต้กันในสภานั่นแหละและแ้วจะอยู่ว่าฝ่ายไหนก็โต้กันอยู่นั่นเลยสรุปว่าทักษ์ของฝ่ายเราดีทุกอย่างดีทุกประการถ้าฝ่ายคนอื่นจะอธิบายยังไงก็ใช้ไม่ได้ะนะก็เหมือนกันเนี่ยนะอาซูนก็เหมือนกันพวกอาซูนเนี่ยแค่ว่าฝจะพูดแบบสำนวนหนึ่งก็แบบฝ่ายมารกับฝ่ายเทพคิดไม่เหมือนกันหรอกเมื่อเท้าสา ก, กัดจอมเทพกล่าวอย่างนี้เทพก็ชื่นชมยินดีท้าวสกัดนี่เก่งจริงๆสันเสริญความไม่โกรธเป็นต้นเลยนะ ผู้อาศนก็เฉยดียังไงนึกไม่ออกสรุปสงครามครั้งนี้ไม่รู้ว่าใครชนะใครแพ้แต่ว่าคนพูดยาวน่าจะาชนะใช่ไหมท้าส ก, กะพูดยาวกว่านั่นน่นแต่สรุปว่านี้เป็นคําของเทวดาเขาสนทนากาันไม่ใชพ่พระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้ฟังมาเออเนี่ยเขามีการสนทนากันแบบนี้นะแต่พระพุทธเจ้าก็รับรองคําของท้าสักกูดเนี่ยนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็น คันติวาทีเนี่ยเป็นผู้ที่สันเสริญความอดทนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สันเสริญความอดทนแล้วก็ความอดทนนี่แหละเป็นบารมีอันหนึ่งที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้านนะอีกสูตรหนึ่งในสกกะพระสกะพระวจนะสูตรว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ากามมคุณที่กําลังได้รับอยู่และกามมคุณที่จะได้รับในอนาคต กามคุณคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรถโพธภาภะที่น่าปรานาน่าพอใจจวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรถโพธาพะที่กำลังได้รับปัจจุบันนี้ที่กำลังสเสวย อ, อยู่นี้หรือที่จะได้รับต่อไปในอนาคตทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกลื่อนกลนด้วยทุลีมีราคาเป็นต้นกามคุณเหล่านี้เกลื่อนไปด้วยราคาเกลื่อนไปด้วยฝุ่นละอองคือโทสะเปือนไปด้วยฝุ่นละอองคือ โมหะสำหรับบุคคลผู้ประพฤต์นะสหรับบุคคลผู้ประพฤตตามบุคคลผู้กระสับกระส่ายเพราะกิเลสเนี่ยนะเพราะก็จริงนะว่าเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโรภชภัณฑที่น่าปรารถนาเนี่ยนะยังไงมันก็ต้องเกลื่อนกลนด้วยราคะโทสะและโมหะเกลื่อนกลนด้วยฝุ่นละอองธุรีแปดเปื้อนในดวงตาตาปัญญานะบุคคลเหล่าใดถือเอาศิกขา มีศีลสิะศึกษาจิตตะศึกษาและปัญญาศิกษาโดยความเป็นสาระและถือเอาการปฏิบัติศีลพรตการเลี้ยงชีวิตพรมอาจารย์โดยความเป็นสาระนี้เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเอาใหม่นะพวกที่ถือศีลพรศีลเป็นต้นเนี่ยขอโทษนะเอาใหม่บุคคลใดถือเอาศิกษามีศีลพรตการเลี้ยงชีวิตพรมอาจารย์ว่าเป็นสาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเป็นอัตตะกิละมถทนุโยก เพราะพวกนี้ถือเอาศีลคำว่าศีลก็คือทําเป็นปกติเช่นเคยอาบน้ําชําระบาปว่าอาบแต่น้ําอยู่นั่นแหละประพฤติวัดอยู่นั่นแหละประพฤติวัดแบบโควัดโทษก็คือโควัดเลี้ยงชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบนักบวชเหล่านั้นอ่ะนะอันนี้จัดเป็นอัตตกิรมัานุโยคส่วนบุคคลใดมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าโทษในการมทั้งหลายไม่มีอันนี้ก็เป็นที่สุดอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นการมมัุ ข, ขลิกานโยค คนพวกหนึ่งเน้นการล้างบาปเป็นพิเศษอาบน้ําล้างบาปโอ้จะหน้าหนาวหน้าร้อนหนาวขนาดไหนก็อาบน้ําล้างบาปอยู่นั่นแหละคนหนึ่งบอกอุย้ยผู้ใดบํารุงบําเรอต้นด้วยกามมันไม่มีโทษอะไรหรอกเนี่ย น, น, น, น, นก็กามไม่มีโทษจะหมกมุ่นขนาดไหนก็ไม่เสียหายอ่นะทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นส่วนสุดใช่ไหมพวกแรกก็เป็นอัตตกิลมัทานุโยคพวกหลังก็เป็นกามสุขขลิกานุโยคที่สุดทั้งสองอย่างเหล่านี้เป็นที่อะไร ใครที่ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติอันนี้ก็คือไปเพิ่มภูนดินป่าชา้าหมายว่าไปเพิ่มป่าช้าให้ดินมันก็จริงน ะ, ะเวลาที่ที่ป่าชา้าโดยเฉพาะต่างจังหวัดนี่มันเห็นชัดเวลามันเผาป่าเผาศพาอนะมันก็ต้องเผาศพทีก็ไปขนฟืนมาแล้วเอากายเนี่ยไปถมพวกเศษเนื้อเศษอะไรก็ตกอยู่ตามนั้นใช่ไหมก็เพิ่มภูนป่าช้าไปเรื่อยๆป่าช้าก็สูงขึ้นสูงขึ้นฉันใดผู้ที่ปฏิบัติอยู่ใน อั ต, ตกิละมะามัทธนุโยกกับการมัศุขาลิการุโยคทั้งสองอย่างก็พวกนี้เพิ่มพูนแผ่นดินที่เป็นป่าช้าป่าช้าก็โตขึ้นมิจฉาทิฐิก็งอกงามยิ่งขึ้นนะหมายความว่าป่าช้าก็สูงสูงสูงยิ่งขึ้นมิจฉาทิถิก็เจริญเอาเจริญเอาบุคคลผู้ปฏิบัติย่อหย่อนด้วยอำนาจภาวะตันหากับภวะทิฐิบุคคลผู้ปฏิบัติตึงเกินไปด้วยอำนาจอุดเฉทิฐิ ย่อมไม่รู้จักที่สุดสองอย่างนี้อันนี้เป็นลัทธิของฝ่ายอื่นนะที่พระพุทธเจ้าเอามาแสดงว่านี้เป็นกลุ่มลัทธิฝ่ายอื่นที่เขาเนี่ยบางทีก็ปฏิบัติด้วยอํานาจภาวะทิฏฐิถือว่าเที่ยงอันนี้ก็หย่อนไปพวกที่ตึงเกินไปบอกชีวิตมีแค่ชาติเดียวพวกทั้งสองอย่างนี้เป็นผู้ที่ไม่รู้ส่วนสุดว่าอัตตกิละมะถานุโยค ก, ก็เป็นส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งก า, การมสุขคลิกานุโยคก็เป็นส่วนสุดอีกอย่างหนึ่งดังนั้นอัตตกิลมถานุโยค กามาสุขลิกานุโยคเป็นฝ่ายอื่นเป็นลัทธิฝ่ายอื่นส่วนพระพุทธพจน์เนี่ยนะพระพุทธพจน์บอกว่าบุคคลเหล่าใดไม่เป็นไปในส่วนสุดทั้งสองคือไม่สนใจในส่วนสุดทั้งสองเหล่านั้นรู้จักที่สุดของส่วนสุดทั้งสองอย่างนั้นวัตตาสามย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นนี้เป็นสกาวัจนะเพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติอยู่ใน มัชชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักสุเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดญาณเกิดแสงสว่างเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานก็คือการปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ดที่เป็นเหตุให้แทงตลอดอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าสะกาวจนะเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนะ อย่างสมัยพุทธกาลเป็นต้นเนี่ยก็คือพวกอุเฉ ท, ทิฐิสสติธิอตตะกิลามัานุโยกการมัสุขาริการุโยกเป็นพวกฝ่ายอืน่นส่วนของพระพุทธเจ้าก็มัชชิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาปัญญาวิชาแสงสว่างเห็นอริยสัตว์มันการแสดงทั้งทั้งฝ่ายอื่นและฝ่ายเราอันนี้เป็นสักกะประวจนะสูตร อย่างในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรนี้เห็นชัดว่าสักกะประวัจณสูตรหมายความว่าสูตรทั้งลัทธิของฝ่ายอื่นคือการมาสุขลริการุโยคและอัตตากิรมถานุโยคของพระพุทธเจ้าก็คือมัชชิมาปฏิปทาอีกครั้งหนึ่งพระราชาพนามว่าเปรเซนที่โกศลได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์หลีกเล้นอยู่ในที่สงัดอยู่ในที่เงียบ เกิดความคิดคำนึงขึ้นอย่างนี้ว่าชนเหล่าไหนหนอชื่อว่ารักตนชนเหล่าไหนชื่อว่าไม่รักตนใครกันแน่คือคนรักตัวเองภาษาไทยๆเราน่ยใครกันแน่คือคนรักตัวเองข้าพระองค์ก็มีความคิดอย่างนี้ต่อไปว่าใครก็ตามชนเหล่าใดที่ทำความชั่วด้วยกายทำความชั่วด้วยวาจาคิดชั่วด้วยใจชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตัวไม่รักตน แม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเนี่ยรักตัวเองเรารักตัวเราเหลือ <The P erman ent> เกินก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตน <The P erman ent> ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนเหล่าเอ่อเพราะชนผู้ไม่รักตน <The P erman ent> ทำความเสียหายให้แก่ผู้ใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายให้แก่ตนเองได้ฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่รักตน ปกติใครที่ไม่รักใครก็คือคนที่สร้างความเสียหายก็อีกฝ่ายหนึ่งนะถ้าเราไม่รักฝ่ายใดเท่ากับเป็นศัตรูฝ่ายนั้นก็ทำลายฝ่ายนั้นฉันใดนี่ก็เหมือนกันใครที่บอกว่าฉันนี่รักตัวเองมากรักตัวเองหวงเห็นตัวเองกลัวตัวเองจะเดือดร้อนแต่ดันทำแต่ความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาชื่อว่าไม่รักตัวเพราะเขาตั้งตัวไปตั้งตนเป็นศัตรูของตัวเพราะใครจะทุกข์่อไป่ะก็เขานั่นแหละ เขาบอกว่าเขารักตัวแต่ว่ามีตะเบียดเบียนตัวเองเลยนะก็เหมือนกับเขาเนี่ยนะเขาอยากสบายมากนั่งไปก็มีดกรีดหน้ากรีดตากรีดหัวกรีดตามตัวแล้วเขาบอกว่าเขานี่อยากให้ตัวเขามีความสุขความสบายคนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ถูกไหมนี่ก็เหมือนกันถ้าทําแต่ความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาบอกแม้เขาเนี่ยอยากอยากให้ตัวเองเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ทําแต่ความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในนั่นแหละคือการสาบการแช่งตัวเองเขาเหล่านี้ชื่อว่าพวกที่ ไม่รักตัวส่วนชนเหล่าใดทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตัวแม้ชนเหล่านั้นจะพูดอย่างนี้ว่าเราไม่รักตัวก็ตามเขาก็ชื่อว่าเป็นคนรักตัวว่าแม้เขาบอกเบื่อนายขยะขยําเบื่อนายตัวเองเกลียดชังตัวเองจริงๆแต่เขามาทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขานี่ชื่อว่าเป็นคนรักตัวคําพูดเขาจะบอกว่าเกลียดชังตัวเองก็ช่างแต่เขาเป็นคนรักตัว เพราะเหตุไรเพราะชนผู้รักกันทําความเจริญให้แก่ผู้ใดที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทําความเจริญอันนั้นให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารักตนใครที่รักกันก็เพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่คนที่ที่เขาชอบพอกันใช่ไหมนี่ก็เหมือนการทําแต่ความดีให้ตัวเองประสบแต่ความสุขความเจริญถึงคำผู้จะบอกว่าไม่รักตัวแต่เขาก็ชื่อว่าเป็นคนรักตัวฉนั้นยมที่มาศึกษาปฏิบัติธรรม และความดีด้วยกายวาจาใจาพวกนี้รักตัวจะบอกเบื่อนายเหลือเกินวัตตะแต่จริงๆพวกนี้ก็รักตัวเองอะ่ะแหละพวกที่ไปทําความชั่วบอกไม้อยากให้ตัวเองมีความสุขที่ไหนได้ไปเป็นศัตรูของตัวของกันอันนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่กราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระองค์ก็อนุมโมทนาว่ามหาบาพีศข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพีศข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระองค์รับรองนะเออเป็นใช่ถูกต้องอย่างนี้แหละ เพราะว่าชนบางพวกทำความชั่วด้วยกายวาจาใจชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนแม้ชนเหล่านี้จะกล่าวอย่างนี้ว่าเรารักตนก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าไม่รักตนคนนั้นเพราะเหตุไร เ, <อ>เพราะชนผู้ไม่รักตนทำความเสียหายใดให้แก่ผู้ไม่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเสียหายนั้นให้แก่ตนเองได้ ฉะนั้นชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่รักตนมันใครบอกว่ารักตัวเหลือเกินแต่ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชื่อว่าไม่รักตัวเพราะไรก็เบียดเบียนใจตัวเองแล้วใช่ไหมส่วนชนบางพวกทําความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตัวแม้ชนเหล่านั้นจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่รักตัวก็ตามชนเหล่านั้นชื่อว่ารักตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะชนผู้รักตนทําความเจริญใดให้แก่ ผู้ที่รักกันได้ชนเหล่านั้นก็ทำความเจริญนั้นให้แก่ตนได้เพราะฉะนั้นเขาจึงชื่อว่ารักตนพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาต่อไปว่ า, ถ, าถ้าบุคถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักไม่พึงนำตนไปในทางแห่งความชั่วเพราะความสุขนั้นบุคคลผู้มักทำชั่วจะไม่ได้ง่ายจะไม่ได้โดยง่ายใครที่ทำแต่ความชั่วแล้วปรารถนาความสุขยากจะประสบความสาเร็จ นะเพราะใครที่รักตัวเองปรารถนาะจะให้ตัวเองมีความสุขแต่นําแต่ตัวเองเข้าไปในทางแห่งความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะที่เขาจะประสบความสุขนี่ยากเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำละทิ้งพบมนุษย์ไปอะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาเขาจะนําอะไรไปได้อันหนึ่งอะไรเล่าจะติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัว อัน น, นก็คนที่ทำแต่ความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยนะทาความชั่วอย่างนี้ไว้จนเต็มเปี่ยมทิ้งอัตภาพสรีระของมนุษย์อะไรเป็นสมบัติของเขาต่อไปล่ะเขาจะนาอะไรไปเงาของเขาชาติหน้าคืออะไรมีอะไรเป็นเงาเนาะก็มีความชั่วด้วยกายวาจาใจนี่แหละเป็นเงาที่อมหิตโหดร้ายติดตามไปปทุสร้ายติดตามไปเบียดเบียน สัตว์ในโลกนี้ทํากรรมอันใดไว้คือบุญและบาปสองอย่างบุญและบาปนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาความดีความชั่วที่กายวาจาใจนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาเขาก็นําบุญและบาปนั้นไปได้ก็จริงนะตอนที่เรามาก็เรามาตัวเปล่าใช่ไหมเอาบุญเอาบาปพามาด้วยนั้นบุญมากก็เลยให้สุขสบายถ้าบาปมากล่ะก็เดือดร้อนนั้นก็บุญบาปนี่แหละติดตามตัวไปนั้นถ้ามีบุญเนี่ยนะ ถึงไม่มีอะไรมาก็สามารถที่จะแสวงหาต่อไปได้อยู่อย่างสุขสบายถ้ามีบาปมาเนี่ยนะจะมีมากขนาดไหนก็ล่มสลายหายไปหมดเพราะบุญกับบาปเป็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายพันบุญและบาปนั่นแหละย่อมเป็นเหมือนเงาติดตามตัวเข้าไปเพราะฉะนั้นบุคคลทวนทำกรรมดีสะสมเอาไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า น, นะก็อย่าไปคิดอะไรมันสั้นๆอย่าคิดชีวิตแค่ชาตินี้ควรมองชาติหน้ามองหลายๆชาติต่อไปที่เรายังท่องไปในวัดตะสงสารเนี่ยนะยังเที่ยวยังโครจรไปในวัดตะเราก็จะว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นสมบัติที่จะตามเราไปเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเนี่ยนะอ่าก็บุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าคาถานี้เป็นคาถาที่พระนิยมสวด บ, บ่อยๆแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะ พันบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายท่านพระพุทธเจ้าก็ท้ารารว่าเออเนี่ยพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นอย่างนี้นะฝ่ายของเรามีความเห็นอย่างนี้ว่าบุญบาปเป็นของเฉพาะตัวแต่สมบัติที่แท้จริงที่พึ่งได้ต่อไปในอนาคตก็คือบุญคือบุญนะนะก็ต้องนึกให้ออกว่าไปทําบุญที่ไหนมาบ้างเป็นต้นเนี่ยนะกายวาจาใจไหนที่มันเป็นบุญเนี่ยนะ อีกนิยะหนึ่งนะจุนิยะคือร้อยแก้วเป็นปราวจนะร้อยกรองคือคาถาเป็นสกาวจนะอันนี้เป็นสกะปราวจนะสูตรอย่างเช่นว่าพระพุทธพจน์ข้างบนที่เป็นจุนิยะเป็นข้อเขียนเรียกว่าไม่เป็นร้อยแก้วนะอันนี้เป็นปราวจนะถ้าร้อยกรองเป็นคาถาเรียกว่าเหมือนกัย่อนหน้าทั้ ง, งข้างหน้าข้างหลังะนะลักษณะนี้เป็นสกาวัจนะอันนี้ก็ชื่อว่าสกะปราวจนะสูตร อพักสักครู่ก่อนนะ